สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคํานําสู่ชีวิตที่สมานฉันท์และดีงามโดยท่านทัสอาจารย์ดรฟิลิปเทงนะครับพี่น้องครับเป็นข่าวดีครับที่หนังสือเล่มนี้จะรับการตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งภายใต้การเรียบเรียงนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องส ล, สลวยขอบคุณพระเจ้าที่ สมาชิกท่านหนึ่งครับได้กรุณาที่จะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้พี่น้องที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับโปรดแสดงความจำนงมาเราจะได้จัดส่งไปให้ท่านครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดรฟลิปเทงนั้นได้เขียนเกี่ยกวกับเรื่องของการเกิดผลชีวิตของเรานั้นครับต้องกเกิดผลมากครับและในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ประเด็นถึง6ประเด็นมาแล้วในเช้าวันนี้ เราจะเรียนรู้ในประเด็นที่7ครับเรื่องของแขนงที่เหี่ยวแห้งแขนงที่เหี่ยวแห้งพระะของพรเจ้าเน้นอยู่ในพระคัมภีร์ย้อนบทที่15ข้อที่6ข้อเดียวนะครับย้อนบทที่15ข้อที่6ข้อเดียวโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟโปรดฟังอีกครั้งถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟและพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกันครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13 ไปทำลูกาบทที่1 3บสข้อหถึงข้อทนะครับโปรดฟังภรวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสอุปมาต่อไปนี้ว่าชายคนหนึ่งปลูกมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาอางุ่นนี้ว่านี่เนี่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้สมปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันทิ้งไป จะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาทวัาางน่นตอบเขาว่านายเจ้าค่ะขอเก็บไว้อีกปีถ้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโค่นมันทิ้งก็ได้พี่น้องครับในข้อที่8ครับแต่ผู้รักษาทวัาางุลตอบเขาว่านายเจ้าค่ะขอเก็บเอาไว้อีกปี ลองให้ข้าพเจ้าพลวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโค่นมันทิ้งก็ได้พี่น้องครับเพราะชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เราเห็นถึงความรุนแรงของแขนงที่เหี่ยวแห้งครับท่านศาสตราจารย์ตรือฟิลิปเทง็งนั้นเขียนอย่างนี้ครับว่าในเครจักรมีแขนงมากมายที่ใกล้จะแห้งแล้ว ในกิจจักรมีแขนงมากมายที่ใกล้จะแห้งแล้วภายในตัวของเขาขาดน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตทำให้ดินจืดไปเปล่าๆผลสุดท้ายคือต้องเอาไปเผาครับพี่น้องครับขับอปปามาในพระธรรมลูกาบทที่13ของพระเยซูนั้นคนที่รักษาเท้างุลเป็นผู้ขอความกรุณาจากเจ้าของสวนครับท่าน ขอความกรุณาว่านายเจ้าค่ะขอเอาไว้ปีนี้อีกสักปีให้ข้าพเจ้าเอาปุ๋ยใส่พวนดินถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังจงโค่นมันทิ้งเสียก็ได้พี่น้องครับในกิจจักอาจจะมีแข น, แนงบางแข น, แนงที่ใกล้จะแห้งแล้วเพราะว่าตัวเอง ภายในตัวเขานั้นขาดน้ำคือไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีการเข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีการมีคอนเนคชั่นกับพระเยซูทำให้ชีวิตของเขานั้นเหี่ยวเฉาไปพี่น้องครับในขณะที่เราเหี่ยวเฉาเราอย่าคิดว่าเราเองนั้นไม่ได้สิ้นเปลืองทรัพยากรไรเปล่าครับเราเองนั้นก็ยังรับทรัพยากร แต่ว่าไม่มากและมันเปลืองที่ครับมันทำให้ดินจืดครับเพราะอะไรครับชีวิตมีแต่ใบแต่ไม่เกิดผลครับชีวิตที่มีใบยอย่างเดียวไม่เกิดผลนั้นจะถูกสาบแช่งหมายความว่าจะต้องกลายเป็นสิ่งที่จะต้องเอาไปเผาไฟนั่นคือเรื่องที่รุนแรงครับรุนแรงขนาดไหนมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิต ของต้นมะเดื่อนั่นเองพี่น้องครับชีวิตที่มีแต่ใบแต่ไม่มีผลครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าจะเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ชีวิตที่มีแต่ใบก็คือชีวิตที่ข้างนอกคนธรรมดาทั่วไปดูดูเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับว่าจะเกิดผลแต่ไม่ใช่หลายหคนก็เปรียบเทียบครับว่าชีวิตแบบนี้ ก็คือชีวิตที่ดูเหมือนดีดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่นั่นคือมีแต่คำพูดครับแต่การกระทาไม่มีการเกิดผลไม่มีคำพูดนั้นก็ทำให้ชีวิตอาจจะสวยงามดูดีคำพูดนั้นอาจจะสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อชีวิตของตัวเองในสมัยนี้เรียกว่าสร้างภาพครับคำพูดที่ดีๆนั้นก็จะทำให้คนอื่นก็ชื่นใจ แต่ว่าชีวิตต่างหากครับชีวิตนั้นสำคัญกว่าคำพูดการกระทำดังกว่าเสียงพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมเราช่วยเราในการที่เราเองนั้นจะมีชีวิตที่สอดคล้องกับคำพูดของเราถ้าเราพูดดีก็ดีแล้วครับพี่น้องแต่ให้ชีวิตของเรานั้นดีด้วยแต่ที่หลายๆลายคนกลัวก็คือ ชีวิตไม่ดีครับแต่คำพูดดีนั่นคือความหลอกลวงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเสริมกำลังเราในการที่เราเองนั้นจะได้เห็นเคล็ดลับแห่งสัจธรรมในข้อนี้คือว่าชีวิตของเราต้องติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับชีวิตของเราจึงไม่หลอกลวงชีวิตของเรานั้นจึงไม่เสแสร้งชีวิตของเรานั้นจึงไม่ทาให้คนอื่นเข้าใจผิด ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าของพระเจ้านั้นได้เตือนสอนพี่น้องและรวมกระทั่งผมด้วยก็คือเราเองนั้นจะต้องติดสนิท ก, กับองค์พระบู้เจ้าตลอดเวลาเราเองนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดเวลาเราเองนั้นจะต้องมีการอ่านพระคัมภีร์เราเองนั้นจะต้องมีการเรียนพระคัมภีร์เราเองนั้นจะต้องมีการอธิษฐานวิงวอนและรอคอยพระเจ้ารอฟังเสียงพระเจ้า พิจารณาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดและทำก่อนเสมอขอพระเจ้าได้ทรงอํำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานของหลายๆท่านอาเมน